เราไปข้างนอกก็เห็นอย่างหนึ่งนะว่าความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเนี้ยตอนเนี้ยมันกว้างขวา ง, วางออกไปแล้วกระทั่งบางสำนักเขาเขากมีหลักสูตรของเขาเองเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มพูดเรื่องแยกรูปน <c oughs> มามเมื่อก่อ น, นไม่ใครพูดแยกรูปแยกนยามแยกธาตุแยกขันธ์ มันอยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นโบราณครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านสอนท่านสอนให้มีจิตที่เป็นพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เจริญตัญญาแยากธาตุแยกขันไปรุ่นหลังๆธรรมะมันกลอนแยกธาตุแยกขันจะหายไปก่อนธรรมะเรื่องพุโทโธก็เหลือแต่คำว่าพุโทโธ ไม่รู้ว่าพุโทโธคืออะไรจริงอย่างท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆรื่ได้ความสงบเฉยเฉยยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการพุโทโธพุธโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตนั่นเองรเราพุทโธเพื่อให้เจอจิตหาจิตให้เจออ่านประวัติหลวงปูมั่นที่หลวงตามหาบัวขั้นเขียน ไปอยู่กับชาวเขาไปเดินจงกรมพราเดินนะเดินก้มหน้าหน่อยๆเดินกลับไปกลับมาพวกชาวเขามาถามว่าเดินหาอะไระจะช่วยหาเห็นหามานานละหาไม่เจอมาหาพุทธโธพุทธโธใจดวงวิเศษนี่้นเราเบื้องต้นนะก่อนจะเจริญปัญญาได้ต้องมีจิต ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิต ท, ที่ตั้งมั่นนะถ้าไม่มีตัวนี้นะเอาอะไรไปภาวนาเอาอะไรไปเจริญปัญญานะเอาจิต ท, ที่หลงๆไปเจริญปัญญาเจริญไม่ได้จริงหรอกจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านงั้นก่อนเจริญปัญญาต้องเตรียมจิตให้พร้อมให้มีจิต ท, ที่เป็นพุโทโธให้ได้ก่อนงั้นไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองหรอกพุโทโธแล้วต้องรู้ทันจิต พุโทโธพุโทโธนะจิตนี้ไปเรารู้พุโทโธจิตนี้ไปเรารู้ฝึกอย่างนั้นให้ได้ถ้าไม่ชอบพุโทโธทำไงไม่ชอบพุโทโธก็ชอบกรรมฐานอะไรก็อเอาสักอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตหายใจไปจิตหนีไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้อชอบดูท้องผองยุบไม่ชอบรู้หายใจก็ดูท้องผองยุบไปแล้วก็รู้ทันจิต จิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปหนีได้สองแบบหนีไปคิดนึกปรุงแต่งอันหนึหนีไปเพ่งไปจ้องอยู่ในอารมณ์ันเดียวเช่นรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนไปเพ่งใส่มือเนี่ธรรมะมันกลอนลงทุกทุกรุ่นนะกลอนกลอนลงไปเรื่อยธรรมะของดีของพิเศษครูบาอาจารย์สืบทอดมา ลูกศิษเรียนแล้วมันไม่ได้แก่นค่อยๆหายไปมิปั ส, สนานาหายก่อนอะมิปั ส, สนานาหายก่อนสมถะยังเหลืออย่างบางคนก็สอนให้ประคองจิตไว้รักษาจิตรู้สึกตัวไปด้วยอันนั้นก็มีจิตผู้รู้นะแต่ไม่เดินปัญญาไม่รู้ว่าถัดจากจิตผู้รู้เราต้องแยกธาตุแยกขันธ์พิจารณาธาตุขันธ์ลงเป็นใจลักษนะ์ คือมองภาพรวมของการปฏิบัติไม่ออกทำมาก็แหวงแหวงแห ว, ง, แวงกล่อนไปเรื่อยนะจนกระทั่งไม่รู้จักสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้เป็นพุทโธหลังๆกล่อนถึงขนาดกระทั่งตัวพุทโธยังไม่รู้จักเลยหลวงพ่อสอนช่วงแรๆโอ้โหต่อต้านเยอะนะว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิไม่เข้าใจเลยว่าเราสอนสมาธิอะไร สมาธิมีสองแบบสมาธินอกพระพุทธศาสนามันแบบหนึง่งสมาธิที่ฝึกจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นอีกแบบหนึง่งสมาธิอย่างนี้ที่มันหายไปไม่จะตอบคาถามบางคำถามไม่ได้ในภาคปริยัติเนี่ยเขาสอนเขายังรักษาคำสอนไม่ได้ในภาคปฏิบัติเนี่ยกลอน ภาคปริยัตินี่ยก็พูดถึงศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาเขบอกเอารักษาศีลจิตสิกขาทําอะไรบอกไปนั่งสมาธินั่งสมาธิทําไมเรียกจิตสิกขาเข mm hmm. ไปนั่งก็เคลิ้ไปอย่างนั้นจิตสติจิตสิกขาตรงไหนอะไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยนั่นทำสมาธิเต้องเรียนเรื่องจิตพุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทัน หายใจไปจิตนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตนีไปคิดรู้ทันขยับมือทำจังหวะจิตนีไปคิดรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตเรื่องเนืองจะรู้เลยว่าจิตมันไหลไปจิตมันส่งออกมันส่งออกสองแบบเท่านั้นแหละส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางทวารทั้งหกนะแต่ส่งไปได้สองแบบอันหนึ่งส่งเผลอไปอันหนึ่งส่งไปเพ่ง เพยงรูปที่มองเห็นก็ได้นะเอาดวงแก้วซักดวงเอาไฟซักดวงมาตั้งไว้แล้วก็จ้องไม่ให้หนีไปไหนนะให้จิตไปอยู่ที่ไฟอย่างนี้ก็เพ่งเผลอไปก็คือหลงไปดูไม่รู้ไม่รู้รตัวหลงไปฟังไม่รู้ตัวหลงไปดมกลิ่นไม่รู้ตัวหลงไปรู้รสไม่รู้ตัวหลงไปรู้สัมผัสทางกายไม่รู้ตัวหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจไม่รู้ตัวนี่หลง เพ่งก็เพ่งได้ทั้งทวารทั้งหนะหลงก็หลงได้ทั้ง6ทวารเหมือนกันหลงทางใจก็คิดอะไรเ ล, เลินเพลินไปเพ่งทางใจก็เพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างแตนะ่สิ่งที่ผิดมันก็มี2องอันนะแต่มันผิดทั้งหช่องทางทั้งหกทวารเลยแต่ละทวารก็หลงได้สองแบบเพลินไปนะกัไปเพ่งไว้เพลอไปกับเพ่งไว้เพ่งก็หลงเหมือนกันในพภิธรรมก็สอน เรื่องทำสมถะก็มีปัญญาเหมือนกันจะ่เป็นปัญญาในขั้นทำสมถะไม่มีปัญญาเลยก็ทำสมถะไม่เป็นและไม่ใช่วิปัสนาปัญญามีฉลาดเหมือนกันยางการที่เราจะต้องมาเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญ า, าเป็นเรื่องใหญ่ทุกวันนี้พอเทศเทศเดี๋ยวนี้ชักไม่มีใครต้านแล้วนะต้านไม่อยู่ก็ฟังหลวงพ่อนะจิตมันตื่นขึ้นมาได้ ตื่นขึ้นมาได้แยกธาตุแยกขันได้โหทำกันยี่ปีมยังไม่แยกเลยนี่พอแยกธาตุแยกขันได้เนี้ยการเจริญปัญญาก็ง่ายตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมอยาไปเรียนจากครูบาอาจารย์อยากกับหลวงปู่เทศอะไรย่เงี้ยหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรนะใจนั้เป็นผู้รู้อยู่แล้วใจได้จิตที่สมาธิที่ตั้งมั่นเนี้ยได้อยู่แล้ว เรเสร็จแล้วก็ดูธาตุดูขันมันทํางานใจเราไปแค่คนดูแต่ไม่รักษานะเป็นคนดูแต่ไม่ประครองรักษาตัวดูด้วยถ้าไปรักษาตัวดูก็ผิดอีกแล้วเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงนะตัวดูเที่ยงอยู่ตัวเดียวก็ผิดอีกตัวดูก็ต้องเกิดดับเนี่ยฝึกอยู่างนี้นะไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ส่งกันบ้านก็เรื่องการทําเจริญปัญญานี่แหละออกจากครูบาอาจารย์นะ ตอนเย็นๆไปเจอพระอุปัฏฐากท่านเนะขาบอกว่าโอ้ดีใจเลยผมมีบุญนะได้มาเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่เทสานะนะั้นได้มาเรียนจากหลวงปู่หาคนสอนธรรมะนะถัดจากหลวงปูดด่โดนมาแล้วหาคนสอนธรรมะที่ถึงจิตถึงใจจริงๆเนี่ยหาไม่ได้ยนะคือหลวงปู่เทศนี่ท่านประณีตเรื่องจิตมากเลยท่านติดสมาธิอยู่สิบสามปี ถึงยังมาเดินไปเนื่องสมาธินี่เก่งมากหาตัวจับไม่ได้เลยแล้วท่านเคยติดมานานท่านเลยแยกแยกออกว่าสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านแยกได้แล้ท่านแยกได้ว่าจิตใจมีสองชนิดชนิดหนึ่งเป็นจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอีกการหนึ่งเป็นใจท่านเรียกว่าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ท่านสอนบอกให้มีใจนะมีใจขึ้นมาแล้วมาเดินปัญญานะมีสมาธิมีใจที่มีสมาธิแล้วไปเดินปัญญาทนะ่สอนบอกข้าพระอุปถักค์ท่านว่าโอ้โหผมเรียนจากหลวงปู่นะมันถึงใจนะหาคนที่ตอบคำถามของผมได้ในยุคนี้เนี่ยแล้วถึงอกถึงใจเนี่ยหายากมากนะพระอุปถักค์ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนโยมออกมาแล้วหลวงปู่บอก บอกกับพวกพระนะว่าหาคนที่ถามคำถามธรรมะปฏิบัติถึงอกถึงใจอย่างโยมคนนี้หายากที่สุดเลย <c oughs> นี่อาจารย์รู้สิชมอาจารย์นะอาจารย์ชมรูส้สิเหมือนกันชมเรื่องเดียวกันนะ <c oughs> เราชมท่านว่าท่านตอบเก่งท่านชมเราว่าเราถามเก่งเง <c oughs> ี้นเราต้องมาฝึกมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ ไอสมาธิสงบมันเรื่องเด็กๆทำไมเรียกเรื่องเด็กๆหลวงพ่อทํามาตั้งแต่7จขวบในเรียกสมาธิเด็กๆส่วนสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาคนอื่นไม่มีไม่รู้จักหรอกคำสอนอื่นๆ น, นั้นไม่มีความประนีตลึกซึ้งในด้านจิตใจนะมีแต่เรื่องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งประณีตในด้านจิตใจ ่าท่าสอนเรื่องจิตมีจิตที่ไหนก็ต้องมีอารมณ์ที่นั้นนะจิตกับอารมณ์ต้องเกิดคู่กันเสมอเลยงั้นมีจิตก็ต้องมีอารมณ์ท่านสอนอย่างนี้สมาธิม่อเลยมีสองแบบสมาธิอันหนึ่งจิตเข้าไปตั้งอยู่ที่อารมณ์สมาธิอันที่สองจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิที่จิตไปอยู่ที่อารมณ์สมาธิสาธารณะหมายถึงว่าที่ไหนก็มีศาสนาไหนมีหมดอะ มีทุ่แข่งรัฐที่อะไรก็มีสมาธิทั้งนั้นจะเรียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิจะอ่านหนังสือรู้เรื่องก็ต้องมีสมาธิสมาธิอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่กับหนังสือสิสมาธิไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้จิตใจก็ต้องอยู่ในอารมณ์มันเดียวดังนั้นสมาธิแบบนั้นเอาไว้พักผ่อนก็ได้เอาไว้ทํางานทางโลกก็ได้ส่วนสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สมาธิแสนวิเศษแต่แสนจะอาภัพคนไม่รู้จัก คนลืมมันอย่างรวดเร็วเลยบางทีไปอ่านหนังสือเซนนะก็ให้จิตตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมานะแต่เดินปัญญาไม่ได้อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งรู้สึกตัวเป็นมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแต่ไม่เดินปัญญาพวกนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนี่ยมันกลอนนะธรรมะจากครูบาอาจารย์สอนให้มีจิตตั้งมั่นแล้วก็จเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ แต่เดิมสอนอย่างนี้แล้วก็กลอนลงมาเรื่องเจริญปัญญาหายไปเป็นเรื่องแต่ ว, ว่าไปทำพุโทโธให้จิตสงบก็สมาธิอย่างที่หนึ่งสงบเสร็จแล้วไปคิดพิจรารณาร่างกายอะไรเงี้ยคิดพิจารณาร่างกายไม่ใช่วิปัสสนาครูบาอาจารย์ฟันธงมาตั้งหลายองค์นะหลวงพุทธเทศก็บอกเลยคิดพิจารณากายไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพุธก็บอกว่าไม่ใช่นะแตเ่เป็นการกระตุ้นให้จิตที่ติดนิ่งติดเฉย น, นะหัดเจริญปัญญาซะบ้าง เป็นการกระตุ้นจิตงั้นหลวงพ่อพยายามสอนนะฤือฟื้นธรรมะที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์นั่นแหละเอามาถ่ายทอดให้คนรุ่นเราฟังเมื่อมันจะหายไปหมดหายเป็นลดับลาดับนะเริ่มตั้งแต่เจริญปัญญาไม่เป็นไม่รู้จะเจริญยังไงไม่รู้ว่าต้องแยกธาตุแยกขันธ์ไปคิดว่าไปคิดพิจารณานะั่นเป็นเจริญปัญญา อาจมหาบัวนะฟันธงเลยว่าถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์นะอย่ามาคุยกับเราเลยว่าเจริญปัญญาอย่ามาวดเรานะว่าเจริญปัญญาต้องแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยสอนนะไม่ใช่ไม่สอนแต่มันไม่ค่อยมีคนเรียน่ะมันกลอนกลอนลงมาจนก็รู้สึกตัวจากเจริญปัญญานะแยกธาตุแยกขันธนะ์ะลดระดับลงมาเป็นความรู้สึกตัวตรงเจริญปัญญาก็ให้ไปคิดพิจรารณาเอาลดระดับนะหายไปเลยกลายเป็นสมถะเลย ตรงที่รู้สึกตัวเนี่ยก็ยังมีคนสอนให้รู้สึกตัวอยู่แต่รู้สึกตัวแล้วอยู่เฉยๆรู้สึกตัวนะทำอะไรก็รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกตัวนะไม่เกิดปัญญาหรอกรู้สึกตัวเฉยๆในพระไตรปิฎกพูดถึงจิตที่ตั้งมั่นท่านบอกว่าทากรรมฐานสักอันหนึ่งนะในที่สุดจิตเข้าฌานถึงปฐมฌาน มีวิตกวิจารณ์ปีติสุขนะทุติยชาญชาญที่สองลาวิตกวิจารวิตกคือการตรึกแนอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ที่เข้าถึงชาญเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปฏิภาคนิมิตแต่อารมณ์ที่เข้าชาญบางอย่างไม่มีปฏิภาคนะอย่างเจริญอัปมัญญาพรหมวิหารเนนะี่ยไม่มีปฏิภาคนิมิต แต่อย่างถ้ารู้ลมหายใจมันจะกลายเป็นแสงสว่างนะเพียงกสินนี่กลายเป็นแสงสว่างสุดท้ายมันก็กลายเป็นดวงสว่างขึ้นมาเหมือนกันหมดเป็นดวงปฏิภาคคําว่าวิตกก็คือการที่จิตมันตรึกอยู่ที่ดวงปฏิภาคนี้วิจาร์ก็คือจิตมันเคล้าเคลียอยู่ที่ดวงปฏิภาคนี้ไม่หนีไปที่อื่นนะจิตก็มีปีติมีความสุขมีเอกคตาขึ้นมาพอเข้าถึงทุติยชานเนี่ยจิตเห็นว่าการที่ยังตรึกยังตรองในดวงปฏิภาคนี้เป็นภาระ จิตวางดวงปฏิภาคนี่ปีติเนี่ยโดดเด่นขึ้นมางัมีปีติมีความสุขมีเอกขตาชานที่สองทิ้งวิตกวิจารนะตรงที่ทิ้งวิตกวิจารเนี่ยก็คือเลิกตึกเลิกตรองเมื่อเลิกตึกเลิกตรองตัวรู้จะเด่นขึ้นมาเงั้นในพระไตรปิฎกจะพูดถึงเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยในทางปริยัติเขาไม่เข้าใจเขาไปแปลว่าสมาธินีจริงสมาธิในปฐมฌานก็มีแล้ว ในอุปจชฌลสมาธิก็สมาธิแล้วทําไมมีเอโกที่ภาวาแล้วบอกว่าคือสมาธิบอกไม่ถูกว่ามันคือสมาธิชนิดไหนมันคือตัวรู้ น, นั่นเองภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทาไมจิตตั้งมั่นเพราะจิตทิ้งการตึกตรองในอารมณ์ไปแล้วกนะ็วเด่นดวงขึ้นมานะรู้ตัวเด่นดวงขึ้นมาความรู้สึกตัวเด่นเนี่ยนตั้งแต่ฌานที่สองสามสี่นะตัวรู้จะเด่น พอออกจากฌานในพระเตปิดดกอย่าบอกเลนะพอออกจากฌานแล้วนะในขณะนั้นนยจิตอ่อนจิตเบาจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานให้น้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเห็นไหมไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทําอะไรนะยังมีงานที่ต้องทําคือน้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะถามว่าโน้มน้อมจิตไปไงส่งจิตออกนอกหรือไม่ใช่เห็นไหมภาษาในพระเตปิดดกยังมีนะคําสอนยังมี แต่พอถึงขั้นการตีความเนี่ยคนที่ไม่ได้พอนามตีความออกไปอีกแบบนึงเลยน้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศน์ก็ออกจากสมาธิเราคิดเอายานทัศนะไม่ได้เกิดจากการคิดเนี่ยยานหน้าเพราะปัญญาปัญญาเกิดจากอะไรจิตมันไปเห็นของจริงเข้าจิตมันถึงจะเกิดปัญญาน้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะก็คือมหัดทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองวิปัสสนากรรมฐานในภริยัติก็สอนเริ่มต้น ก่อนจะถึงวิปัสนาต้องแยกรูปนามเขาสอนมาเป็นลําดับนะถัดจากแยกรูปนามก็จะเห็นในรูปแต่ละรูปมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดนามแต่ละนามมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดนะก็เห็นเหตุของมันอันที่สามเขาจะเริ่มเห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะว่ามันแต่ละคาบเวลาเนี่ยสภาวะอันนี้เปลี่ยนไปเทียบสภาวะคนละห่วงเวลากันนะตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นวิปัสนา โดยวิปัสนาเนี่ยต้องเห็นสภาวะเนี่ยปรากฏต่อหน้าต่อตาในปัจจุบันนะไม่คนลเวลานะเวลาเดียวนี้แหละที่ปัจจุบันนี้เราปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่ระดับไฟตรงนี้เนี่ยถึงจะเป็นวิปัสนาเนี่ยก่อนจะมาถึงวิปัสนาได้เนี่ยแยกรูปแยกนามมานะเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปัจจัยของรูปนามแต่ละอย่างเห็นเลยว่ารูปนามไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่เห็นด้วยการ พิจารณาเช่นเราเห็นหน้าตาของเราวันนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆไม่เหมือนกันแต่ดูรูปถ่ายแล้วหน้าไม่เหมือนเดิมนี่แสดงว่าร่างกายไม่เที่ยงนี่เป็นการยังยังคิดเปรียบเทียบอยู่ยังไม่เป็นวิปัสสนาตรงที่เป็นวิปัสสนาเราเห็นรูปปัจจุบันนี้แหะเกิดจับให้ดูรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปตึงรูปไหวอะไรนี้ยเกิดระดับเกิดระดับให้ดูต่อหน้าต่อตาจะเห็นหรือเห็นนามธรรมา ท, ทั้งหลาย ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยจริงๆในตำรามีนะแต่มันไม่ชนกันอย่างพูดถึงเอโกที่ภาวาไม่รู้ว่าคืออะไรให้คิดเรื่องสมาธิเฉยๆจะ ต, ตอบไม่ได้แล้วว่าเอาสมาธิเฉยๆแล้วมันเป็นคณิกาสมาธิไม่เป็นอุปจาระสมาธิไม่ใช่สมาธิหรือปฐมฌานไม่ใช่สมาธิหรือตอบไม่ได้สักข้อ จริงมันคือตัวรู้เอกวที่ภาวะเนี่ยคือจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นั่นเองมันเป็นผู้รู้ได้เพราะมันไม่คิดนะไม่ตึกไม่ตรองนะละมีตกวิจารณ์ลการตรึกการตรองในตัวรู้ถึงจะเกิดพอได้ตัวรู้แล้วไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆนะนในตำราในคำภี์ก็สอนว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะ์ละออกจากสมาธิแล้วนะต้องมาเจริญปัญญานี่ทํายังไงโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะ์ตอไม่ถูกอีกล้ แตไม่ถูกอีกแล้วพวกหนึ่งก็ไปคิดว่าต้องไปคิดเอาอย่เช่นพิจารณาปฏิกูณาสุภาพอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยอะปฏิกูณาสุภาพเรื่องสมถะเฮ้ยข่มราคาอีกพวกหนึ่งก็หลุดไปอีกข้างหนึ่งเลยไปเรียนเรื่องเจริญปัญญารู้เรื่องโสรถยานมียาน16แต่ไม่รู้ว่าก่อนจะมาเจริญญานสินต้องมีจิตผู้รู้ก่อนเนี่ยไม่ชนกันนะตำราตำรามีหมดเลยแต่มันกระจายนะนภาวนามไม่ถูกหรอก นี่หลวงพ่ อ, อามาเรียงเอามาร้อยให้ดูนะว่าอะไรก่อนอะไรหลังมีลำดับของมันนะในบทเรียนเรื่องศีลสิีขาจิตจะสีขาจิตจะสีขาเนี่ยทำให้เราได้ตัวรู้ขึ้นมาและวิธีได้ตัวรู้อุตสาห์บอกนะทําได้สองแบบนะหนึ่งทำฌานจนได้เอโกโอที่ภาวะอย่างเนี้ยตัวรู้จะทรงอยู่นานทรงอยู่นานถ้าเราสะสมฌานมากๆนะแค่เรานึกถึงตัวรู้ตัวรู้เข้ามาแล้วอยู่อย่างนี้ได้นานนะ แต่ว่ามาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกินเจ็วันต้องนึกใหม่นึกอีกก็มาอีกก็อยู่ได้ปีสองปีเดี๋ยวก็เสื่อมไปต้องมาทําสมาธิใหม่มาเรียนแล้วโอ้มันมากเลยสิ่งที่ท่านสอนนะอศัศจรรย์เมื่อทำ ม, มามันกร ะ, ะจายนะเราไปเรียนที่นี่เราได้เหมือนได้จิ๊กซอว์มาตัวงไปที่นี่ได้จิ๊กซอว์อีกตัวสองตัวไม่ต่อกันต่อกันไม่เป็นนะ หลวงพ่อสอนจิ๊กซอว์ทั้งหมดมีแค่นี้แหละจะต่ อ, อยังไงตัวไหนก่อนตัวไหนหลังบอกละเอียดยิบเลยนะไม่ใช่ไม่บอกอยู่ที่จะไปต่อจิ๊กซอว์ไหม <c oughs> <c oughs> จะลงลงมือทํำยังถ้าจะลงมือทํานะเบื้องตอน้นถือศีลห้าถือศีลห้าไว้อถือศีลห้าไม่ใช่ง่ายสําหรับคราวาสฆราวาสเนะี่ยจะถือศีลให้สะอาดหมดจด เหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วยากที่สุดเลยถือถือยากแต่ก็ต้องพยายามขัดแล้วก็แล้วไปนะตั้งใจรักษาใหม่ไม่ต้องขอศีลขี้ขอไม่ใช่ศีลชาวพุทธเไรนักหนาหรอกอัน น, นั้นสำหรับคนไม่เคยได้ยินได้ฟังพระบอกให้ถือศีลห้าศีลห้าเป็นไงไม่รู้อย่างนี้ต้องขอขอให้พระบอกไม่ใช่ขอศีล น, นะขอให้พระบอกว่าศีลคืออะไรฉันจะได้รักษา ไม่ใช่ขอศีลจากพระนะพระศีลแห่งหมดเลยมาขอไปเรื่อยๆนะมีศีล2อรตัวเองก็ทำหายไปส่วนหนึ่งแล้วโยมาขอกุลาบห้าข้อ5ข้อแป๊บเดียวก็หมดแล้วขออะไรขอให้พระบอกว่าศีลห้ามีอะไรแล้วฉันจะรักษาของฉันเองตั้งใจรักษาศีล น, นะแล้วมาฝึกจิตให้อยู่กันเนื้อก็ตัวมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นทชาชงชาญไม่เป็นหลวงพ่อก็อุตส่าห์บอกละเอียดนะมีอีกวิธีหนึ่ง ใช้วิธีทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปไหลไปก็บอกอีกละเอียดยิบเลยไหลไปบีสองแบบไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งนะแม่สอนไม่มีใครเ้าสอนกันเยอะขนาดนี้หรอกนะสอนละเอียดยิบเลยแบบสบายมากเลยแทบจะเหมือนคนโบราณเลี้ยงเด็กเคยเห็นไหมขูดกล้วยให้กินนะขูดะะเฉลียดเลยนะแล้วก็ปอ้อนอ้้งอั้าอะเงี้ยเนี่ยนะ <c oughs> ของเรานะีหลวงพ่อสอนแบบปอกกล้วยให้นะแล้วยัขูดให้กลินอีกเนาะอไม่กรีนไม่กลื น, ก, ลนก็ไม่รู้จะทําไงแล้ว <S <S 1> <S 1> ถ้าเราเข้าใจนะลำดับมันมีลำดับนะถือศีลไว้แล้วมาฝึกจิตฝึกจิตให้ตั้งมั่นเข้าฌานได้ก็เข้าให้ถูกชนิดฌานที่ต้องเข้าก็คือลักขณูพณิชฌานไม่ใช่ฌานอารามนนานูพณิชฌานจิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์จิตต้องตั้งอยู่ที่จิต ทำไมจิตต้องตั้งอยู่ที่จิตเมื่อเราจะทําฌานทําสมาธินั้นเพื่อจะไปเจริญปัญญาสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาใช้ทํำวิปัสสนาคือลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารมณูปนิชฌานนี่ยังเรื่องอย่างเนี้ยในตํารามีนะแต่ว่าอธิบายไม่ได้หรอกมีแต่ชื่อไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงหรอกนั่นนักปริยัตินะถ้ามาฟังภาคปฏิบัติบ้บางจะเข้าใจมากขึ้นนักปฏิบัติถ้ารู้ปริญัติบ้างนั้นก็จะไม่เป๋ ไม่งั้นก็จะคิดว่าพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะานี่เป็นมิปั ส, สนาพคดละเรื่องเลยหรือขยับมือไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกตัวรู้สึกเรื่อยๆไม่เผลอแล้วบอกเนี่ยคือเจริญปัญญายังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มเจริญปัญญาเลยยังไม่ได้ทํำมิปั ส, สนาเลย <c oughs> แล้วเรียนให้รู้เรื่องนะถ้าทําชันถ้าทําให้ถูกก็จะได้เอโกที่ภาวะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นตัวรู้ขึ้นมา ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้กรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดจะไหลไปเพ่งเผลอไปคิดเผลอไปเพ่งรู้ทันจะได้จิตตั้งมั่นเหมือนกันแต่จะอยู่ไม่นานดังนั้นก็ต้องเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้บ่อยๆนะในสุดรู้จิตค่อยถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นจนจิตเนี่ยจําสภาวะรู้ได้แล้วจิตจําสภาวะรู้ได้นะต่อไปพอะระลึกถึงรู้แล้วรู้ก็มาละพอรู้มาคราวนี้หลงกลอีกละ รักษารู้ไว้ทั้งวันเลยกะ ว, ว่ารู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วจะจะเกิดมากผลนิพพานไม่มีวันเกิดหรอกต้องโน้มน้อมจิตตัวนี้แหละไปเพื่อยานทัศนะคือมาแยกรูปแยกนามมาดูไตรลักษณ์ของรูปของนามนี่เรียกว่าทําให้เกิดยานทัศนะนะต้องอย่างนี้นะในสุดปัญญามันก็เกิดปัญญาเบื้องต้นมันก็จะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปะจะเห็นอย่างนี้ ปัญญาเบื้องปลายมันจะเห็นเลยไอ้ของที่มันมีขึ้นมาก็คือตัวทุกข์มันมีขึ้นมาปัญญาเบื้องต้นนะเราเห็นมันเกิดดับนะเห็นตัวปัจจุบันนี่แหละเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะก็จะเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่ของที่กทเกิดเล้วดับปัญนญะาเบื้องปลายนะมันจะรู้ไอ้ที่ว่าตัวเราไม่มีแล้วตัวอะไรที่มีตัวทุกข์สิที่มีตัวเราไม่มีและมีแต่ตัวทุกข์ จะเห็นในตัวที่เกิดขึ้นนั่นแหละตัวทุกเกิดขึ้นตัวที่ตั้งอยู่นั่นแหละตัวทุกตั้งอยู่ตัวที่ดับไปนั่นแหละตัวทุกดับไปถ้ารู้ทุกนะก็ล่าสมุทยัยหมดความรักไข้ผูกพันในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเมื่อหมดความรักไข้ผูกพันก็เรียกทำลายสมุทัยได้ก็แจ้งพนันแจ้งพันนิพพานแจ้งนิโรดนิโรดเป็นสภาวนิโรดนิ้นตัรหาสิ้นความ น, น, นิโดนรริโรนะิรดนิโรดนิโรดนิโรนิโนิโรดนิโรดนิโรดนรดนิโรรมนิโรดนิโนนิ รู้ทุกนะเมื่อไร่ก็ลาสมูไทยเมื่อนั้นลาสมูไทยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิพานแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธแจ้งนิพานเมื่อไหร่ในขณนะนั้ น, นเกิดอริยมรรคยันรู้ทุกลาสมูไทยแจ้งนิโรธเจริญอริยมรรคเกิดนในขณนะจิตเดียวกันเป็นอัศจรย์จริงนะธรรมะของท่านอยู่ที่เราทําให้พอพระโสดาก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ พระอรหันเนี่ยท่านวางสิ่งที่เกิดที่ดับนะท่านไปเห็นแจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่เห็นแจ้งพระนิพพานเวลาพระอรหันนึกถึงนิพพานนะแค่มนานสิการแค่ใส่ใจถึงก็ถึงละไม่ต้องส่งจิตไปนะไม่ส่งจิตไปเข้านิพพานนะนั่นเพี้ยนลนะส่งจิตไปเข้าเข้าที่ไหนที่นั่นเป็นโลกทันทีเลยเป็นภพทันทีเลยนะไม่มีการไปการมา จิตเนี่ยหลวงปู่ดุลสอนนะจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาจิตของพระละหันท่านเรียกจิตหนึ่งทำไมเรียกจิตหนึ่งเพราะมันหนึ่งมันไม่เป็นจิตคู่จิตคู่ว่าจิตคุ้มดีคุ้มร้ายค่อยๆฝึกนะในสุดเราจะเจอของซึ่งมันไม่เกิดไม่ดับจ่แจ้งของไม่เกิดไม่ดับของไม่เกิดไม่ดับมันดียังไงคนไม่รู้จักอีกโอ้มันดีพิเศษนะ ตัวนี้เป็นปรมังสุญยังนะว่างว่างแบบไม่มีอะไรเสมอเหมือนว่างไม่แปรปรวนเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมสุขไม่มีอะไรเหมือนจิตที่สัมผัสพระนิพพานนะจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยส่วนการสัมผัสอารมณ์ทางโลกนี่เป็นเครื่องเสียดแทงเป็นภาระกับจิตทั้งสิน้นนะตามองเห็นรูปก็เป็นภาระกับจิตนะหูได้ยินเสียงก็เป็นภาระขึ้นมาที่จิตใครเห็นตรงนี้บ้าง ตาเห็นรู้สึกไหมจิตกระเทือนขึ้นมานะเป็นภาระนะหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวตาเห็นรูปจิตก็ไหวภาระทั้งนั้นเลยจมูกได้กลิ่นจิตก็ไหวไหวมากไหวน้อยแล้วแต่กําลังของอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์แรงก็ไหวแรงอารมณ์อ่อนก็ไหวอ่อนๆเวลาความสุขมากระทบจิตไหวไหมทุกนะมันเป็นตัวทุกแท้ๆเลยความสุขที่มากระทบจิตเนะี่ยจิตไหว มื่อไจิตไหวขึ้นมาจิตกระเทือนขึ้นมาเป็นภาระทั้งสิ้นเลยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตไหวทั้งสิ้นเลยพระอรหันนะท่านฝึกดีจิตท่านฝึกดีแล้วตาเห็นรูปจิตไม่ไหวหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตไม่ไหวบางทีท่านออกท่าออกทางนะ ทำท่าโมโหโทโสนยะอย่างหลวงตามหาบัวทำท่าตึงตังตึงตังนะจิตไม่ไหวหรอกไปดูให้ดีแล้วไม่ไหวแบบไม่ได้รักษาด้วยนะไม่ต้องรักษาเลยถ้ายังรักษาอยู่ก็ไม่ใช่ของจริงต้องค่อยฝึกเอาของดีของวิเศษขนาดนี้นะบอกให้แล้ ว, วของดีมีอยู่ทางที่จะไปสู่ของวิเศษนี้ก็มีอยู่ผมบอกเธอละเอียดยิบเลยนะความจริงบอกละเอียดมากมากเลย เช่นการรู้รูปรู้ลงปัจ huh. จุบ um, ันขณะการรู้นามธรรมเป็นปัจจุบันสันตติไม่ใช่ปัจจุบันขณะรู้รูปเป็นปัจจุบันขณะรู้ได้รู้ได้ทันทีรูปเคลื่อนไหวจิตรู้ได้ทันทีทําไมรู้ได้ว่าจิตไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นจิตมารู้รูปแต่ทาไมจิตไปรู้ตัวจิตตรงๆงไม่ได้ในขณะที่จิตรู้อารมณ์หนึ่งเนี่ยจิตจะมารู้จิตไม่ได้จิตรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตจะรู้อะไรได้ชัดครั้งละอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าจิตไปรู้ความโกรธในขณะที่จิตรู้ความโกรธเนี่ยจิตจะรู้จิตไม่ได้พอความโกรธดับปั๊บมันก็จะจิตรู้จิตขึ้นมาก็จะเห็นว่าจิตตะกี้โกรธจิตตอนนี้ไม่โกรธโกรจิตโกรธไม่เที่ยงในดูตามหลังนะแต่ตามหลังแบบติดติดกันเรื่องว่าปัจจุบันสันตติถ้าเป็นร่างกายเนี่เป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าดูจิตจะเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันสืบเนื่องกับปัจจุบัน เอาไปกินข้าวไป